ในที่สุดเราก็มาสู่เมืองบนเส้นทางตลอดห้าวันนะเราก็ได้เห็นทั้งลำห้วยภูเขาป่าไม้ผ่านหมู่บ้านครา้งแรงใ น, นทุ่งนาแล้วก็ในที่สุดนะก็มาถึงเมืองชัยภูมินี่เป็นครั้งแรกน ะ, ะเป็นครั้งที่สองที่คณะธรรมยาราได้ มาถึงตัวจังหวัดชัยภูมิครั้งแรกนี่ก็ปี 2,551 แปดปีที่แล้วนี่เป็นครั้งที่สองแต่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาถึงปางกูมาคร้างแรงที่นี่เราก็เดินเรียบนะลพธามาเกือบจะตลอดเส้นทางนะ ถ้านับก้าวนะของพวกเรานะตั้งแต่ออกเดินทางจากต้นน้ำนะลำปทาคือผู้หลงหรือว่าป่ามหาวันจนถึงแบบนี้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่น้อยกว่าสองแสนห้าหมืนเก้าแะะทางเกือบเก้าสุดกิโลก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะวันนี้พวกเราเนะี่ยก็ ทำเวลาได้ดีมากที่จริงกําหนดการเดินของพวกเราเนี่ยนะมันประมาณยี่สิบสามกิโลแต่ว่าพอเดินจริงๆแล้วเนี่ยทางมันหดหายไปประมาณห้าหกกิโลอันนี้ตรงค่ากับสองปีที่แล้วนะปีแรกกำหนดเป็นสิบแปดกิโลหรือสิบหกกิโลเดินไปเดินมามันประมาณยี่สิบสองกิโลได้นั่นคือปีสองปีห้าเจ็ด ทรรมยสา ร, รุ่นนั้นถึงได้ชื่อว่ารุ่นทางงอกนะแต่รุ่นเรานี่เราต้องเรียกว่ารุ่นทางหดแต่เชื่อนะว่าแม้ทางจะไม่หดห น, นะเท่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ยอไม่ท้อนะก็จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนอาจจะมาถึงตอนค่าแล้วเพราะว่าตลอด ห้าวันที่ผ่านมานะพวกเราก็ได้พิสูจน์ว่าไม่ว่าทางจะกลลำบากแค่ไหนเราก็จะฝันฝ่ามาจนไดน้สิ่งที่พวกเราสนใจเนี่ยคงไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะแต่ว่าเป็นการทำความเพียรให้เต็มที่ ถ้ายังมีแรงก้าวเดินก็จะเดินต่อไปถึงหรือไม่ถึงไม่สำคัญขอให้ได้ทำเต็มที่กัแกนแล้วถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าทำไม่หยุดมันก็ถึงจนได้ไม่ว่าจุดหมายปลายทางมันจะไกลแค่ไหนมันจะยืดหรือมันจะหดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าสิ่งสำคัญกว่าก็คือการที่เรามีความเพียร แล้วก็เป็นความเพียรที่เกิดจากการที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลดังประทับประครองลงไปตลอดเส้นทางนะไม่ว่าวันนี้หรือเมื่อวานหรือว่าวันก่อนหน้านี้เนะี่ยเราก็ผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายนะทั้งความยากลาบากความร้อนความเหนื่อยแล้วก็ทั้งความสุขความยินดี ความด่าเริงเบิบบานและความปิติดและเชื่อว่าเราคงจะได้เรียนรู้หลายอย่างซึ่งล้วนแต่เป็นของดีสนำะหรับเราทั้งนั้นในบรรดาความสึก ด, ดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเราตลอดท่าวันนี้อาตมาเชื่อว่าอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะทุกคนเลยก็ว่าได้ อัน่งนั่นคือความรักต้นไม้หลายคนอาจจะไม่เคยนึกรักต้นไม้อย่างนี้มาก่อนวันนี้เราก็ได้เจอบางจุดนะที่ร่มรื่นมากจุดตรงหัวโคกนะที่มีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่ให้ร่มเงา ทำให้เย็นกายและสุขใจเหมือนกับวันซื่นนะเราก็ไดนะ้ได้เจอทิวศนนะที่ให้ร่มเงาที่แสนจะเย็นสบายอยู่หน้าไล่ส้มนะก่อนที่เราจะเข้าอุทยานป่าตนหลายคนคงจะจำภาพและความรู้สึกดีๆนะที่เกิดขึ้นได้ พ่ามันช่าง เ, เป็นความรู้สึกที่รื่นรมและเป็นบรรยากาศที่งดงามความสุขอย่างนั้นแหะอย่างนั้นแหละนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้นไม้นี่นะน่ารักน่าทุนุนถนอมมากพวกเราคงจะรู้สึกคล้ายกับธรรมะคือว่าที่ไหนมีต้นไม้เนี่ยที่นั่นมีความสุขที่ไหนมีต้นไม้ที่นั่นมีความสุ ข, สขเดินมานเหนื่อยแดด ร, ร้อนๆนะพอมาพักอยู่ใต้ร่มไม้ ยิ่งมีไม้ที่เกาะกลุ่มกันนะจนกระทั่งนะเป็นป่าเล็กน้อยนะเดี๋ยวยิ่งรู้สึกคลื่นลมใจเนะี่ยใครที่ไม่เคยรักต้นไม้ใครที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของต้นไม้เนะี่ยเชื่อว่าจะรักต้นไม้มากขึ้นเวลาเราอยู่ในเมืองนะเราอยู่ในห้องแอร์เราอยู่ในร่มมีพัดลม เราคงไม่ได้รู้สึกถึงคุณค่าไม่เห็คุณค่าของต้นไม้แต่เมื่อเราก็ตามที่เราได้ออกมาอย่างเนี้เนี่ยยืนได้มาเดินธรรมยัตรกลางเดินฝ่าเร็วแดดร้อนๆทางโล่งๆแล้วก็เห็นต้นไม้อยู่แต่ไกลมีร่มไม้เยอยู่เบื้องล่างเลยเราจะรู้สึกยินดี ปรีดาที่มาทันทีจริงๆมันก็น่าน่าน่าน่าเศร้านะเพราะว่าเราไมา่เห็นคุณค่าของต้นไม้เนี่ยก็เมื่อมาที่ที่ที่มันไม่มีต้นไม้หรือมาที่ที่ที่มันถูกต้นต้นไม้เนี่ยถูกตัดถูกโคน่นถ้าสมัยที่ยังมีต้นไม้นะร่มคลึ้มในทุ่งข น, นแห่ง เราก็อาจจะไม่รู้สึกว่าต้นไม้ที่สำคัญอันนี้ก็คงเป็นเหตุผ ว, ว่าทาไมนะจึงมีการตัดต้นไม้กันมากมายต่อเมื่อต้นไม้มันผดหายไปเราถึงเริ่มเหงความสำคัญนะของต้นไม้คนเราเนี่ยมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันสูญเสียหรือพัดพลาดไปจากเรา เราอาจจะไม่รู้สึกว่าลมหายใจไม่มีคุณค่าเพราะว่าเราหายใจทุกวันทุวันแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มหายใจติดขัดเพราะเจ็บป่วยก็ดีพระชราก็ดีถึงตอนนั้นจึงจะเห็นคุณค่าของลมหายใจคนที่ป่วยนะต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะเพราพร้อมที่จะทุ่มเทเงินเป็นล้าน หรืทรัพย์สมบัติที่มีเพียงเพื่อที่จะได้หายใจเหมือนที่เคยหายใจแต่ตอนที่ยังหายใจได้ปกตินะกับไม่เห็นคุณค่านะไม่รู้สึกการมีอยู่ของลมหายใจได้ซ้ําแต่พยายามตะเกียบกายเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งอื่นซึ่งมันอาจจะเป็นแค่ของที่ให้ความสุขช่วครู่ช่วยอยาการที่เรามีตามองเห็นมีหูได้ยินนะ มีมือมีเท้าที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้เนี่ยคนน้อยคนนะที่จะรู้สึกว่านี่คือโชคนี่คือความสุขอันประเสรตแต่เมื่อตาบอดหูหนวกพิการหรือว่าแก่ชราเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะถึงจะรู้สึกถึงคุณค่านะของอวัยวะเหล่านั้นแต่มันก็ สายเกินไปเช็นแล้วเพราะว่าสิ่งที่สูญเสียไปเอากลับคืนไม่ได้แล้ววันแต่และ ว, วันเนี่ยนะเราไม่คยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่เราตื่นขึ้นมาทุกวันบางทีเราก็เบื่อนายเพราะเรารู้สึกว่ามันยังมีวันนี้มีวันพรุ่งนี้แล้วก็มีวันต่อๆไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักว่า วันนี้คือวันสุดท้ายของเราหรือว่าวันสุดท้ายของเราใกล้เข้ามาทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเช้าที่มีคุณค่ามากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเช้าอย่างนี้อีกหรือเปล่าที่จริงเราไม่ต้องไม่ควรจะรอให้สิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมันสูญหายไปก่อนนะเราถึงจะเห็นคุณค่า แต่คนเราก็มักจะเป็นเช่นนี้มีนักกีฬาเขาเรียกว่าเป็นกีฬาชนิดพิเศษนะคารเตโดเธอเป็นนักกีฬาทีมชาติอายุก็ประมาณ1ิ1หกสิบเจ็ดนะเธอมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้านะที่จะนำเหรียญทองเหรียญแรกของกีฬาชนิดนี้มาให้กับประเทศไทย เธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการแข่งกีฬาสีเกมคนไทยเนี่ยไม่เคยได้เหรียญทองกีฬาชนิดนี้มาก่อนเธอจึงมีความมุ่งหวังมากทุ่มเทเต็มที่และเธอก็ได้พ่อที่มีความเข้าใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับเธอเหมือนกันพ่อก็เลยเป็นโค้ชส่วนตัว ทุ่มเทนะสองพ่อลูกเนี่ยนะจนกระทั่งเมื่อถึงใกล้วันกำหนดเดินทางตัวเธอก็เดินทางไปฟิลิปปินส์แต่พ่อเนี่ยตื่นข้อส่วนตัวก็ไม่ได้ไปแล้วก็มาไปถึงฟิลิปปินส์นะเธอก็ตั้งใจซ้อมอย่างดีจิตใจเนี่ยมุ่งไปที่เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยและในสุดเธอก็ทำได้ เธอดีใจมากดีใจสุดๆเลยตอนคืนก็ตอนค่ำก็มีการเลี้ยงฉลองพอเลี้ยงฉลองเสร็จโค้ดทิมชาติก็มาบอกกับเธอว่ามีข่าวร้ายจะบอกพ่อเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองสามวันก่อนมิวปะอุบัติเหแต่ที่ไม่ได้บอกเธอเพราะว่า บอกว่าเธอจะไม่มีกำลังใจที่จะแข่งจากคนที่ดีใจสุดๆนะพอรู้ว่าพ่อเสียแกเธอร้องไห้โฮเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าพูดขึ้นมาว่าเนี่ยขอพ่อกลับคืนมาเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อกับคืนมาเท่านั้นก็พอตอนนั้นคืดตอที่เธอได้รู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเธอเนี่ยไม่ใช่เหรียญทอง แต่คือพ่อแต่ถึงตอนนั้นมันก็สายไปแล้ว เ, เธอได้เหรียญทองมาก็จริงแต่เธอเสียพ่อในวินาทีนั้นแนะที่เธอรู้ว่านะพ่อเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชื่อของเธอแต่มารู้ก็ต่อเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหารณ์สอนใจนะคนเรานะเรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆก็ต่อเมื่อสิ่งนั้น มันเป็นอดีตไปแล้วแต่ที่จริงเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรอให้ต้องสูญเสียไปก่อนนะเราถึงจะเห็นคุณค่าธรรมชาติตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคู่เมืองไทยแม้จะสูญเสียหรือว่าเสื่อมถอยไปเยอะแล้วแตไม่สายเกินไปที่เราจะกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ช่วยกัน รักษาช่วยกันพื้นฟูช่วยกันทนทุทนหนอนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะให้เราได้ลองทบทวนนะตลอดเส้นทางเดินธรรมยร า, านะว่าเราได้กลับมาเห็นคุณค่าแนละ้ของสิ่งที่มันควจะกลายเป็นอดีตบ้างหรือเปล่าถ้าเราได้เห็นคุณค่าก็ถือว่าการเดินธรรมยาตรานี้ก็ เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าถึงไหนก็ตามนะก็อยากจะให้ระลึกถึงความสุข ด, ดีๆที่เราได้อยู่กับธรรมชาติเอาไว้แน่นอนนะมันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยความสะดวกสบายนะเราแลกมา สิ่งนี้เราได้มาด้วยความเหนื่อยความยากความลำบากอย่างที่ผู้มาเช้าเนี่ยร้อนเหนื่อยเมื่อยปวดอาจจะลมถึงละอาจจะลมถึงหิวอาจจะลมถึงการาสูญเสียน้ำตาในบางช่วงเพราะว่ามันลำบากมากแต่มันจะลำบากเพียงใดแมก็มันก็เป็นสิ่งที่มีค่านะ เพราะว่าคนเราเนี่ยนะจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านความยากลําบากมันไม่ใช่เฉพาะคน น, นะนะข้าวเนี่ยนะถ้ามันยังเด็ดอยู่เนี่ยมันก็กินไม่ได้ข้าวมันต้องผ่านความร้อนก่อนจึงจะเป็นข้าวสุกที่หอมน่า ก, กิน ผลไม้เนี่ยนะมันต้องเจอแต่มันไม่เจอความร้อนมันจะสุกแล้วกลายเป็นผลไม้ที่หอมหวานแป้เนี่ยนะถ้ามันไม่เจอความร้อนมันไม่ผ่านการอบนะมันไม่ผ่านการอทอดนะหรือว่าต้มเนี่ยมันก็คงไม่น่า ก, กิน แล้วก็ไม่สมามารถจะการเป็นอาหารที่อร่อยหรือขนมที่หวานได้เหล็กจะดีได้เนี่ยมันต้องผ่านนะผ่านการหลอมด้วยไฟที่แรงนะบางทีอา ก, กาศเป็นเหล็กช้งดีที่แร่เนี่ยนะถ้ามันไม่ผ่านไม่ผ่านการหลอมด้วยไฟนะบางทีมันก็ไม่ได้ของดีออกมาคนเราเนี่ยนะ จะมีการเปลี่ยนแปลงได้มันก็ต้องผ่านการผ่านความกดดันนะผ่านความทุกข์ยากผ่านการอบและลมนะคำ ว, ว่าอบลมเนี่ยนะมันก็บ่งบอกในตัวนะว่ามันหมายถึงสภาวะนะของอเปลี่ยนได้กับความร้อนนะความร้อนเนี่ยนะทั้งอบทั้งรบทั้งลมเนี่ยนะมันทำให้ สิ่งต่างๆเกิดคุณภาพใหม่ขึ้นมาคนเราถ้าไม่ผ่านการอบรมมันก็ยังเป็นคนบิดไม่ใช่คนสุขและการอบรมเนี่ยมันก็ต้องหมายถึงการผ่านการเที่ยวกรำความยากลําบากเหมือนกับที่เราผ่านอากาศร้อนแดดแรงนะสิ่งเหล่านี้แหละที่ไม่ทำให้เรานะเกิดความ เปลี่ยนแปลงขึ้นมามีคุณภาพใหม่นะทั้งโดยเฉพาะในทางจิตใจเช่นเข้มแข็งขึ้นนะมีสติสมาธิมากขึ้นสามารถจะรักษาใจเป็นสุดหรือเป็นปกติได้แม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆมาบีขคั้นอยู่รอบตัวเช่นแดดร้อนนะหรือว่าความเหนื่อยความหิว คนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะพัฒนาตนได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการแบบนี้แหละทั้งเขี่ยวทั้งกล้ามทั้งอกทั้งลมอย่างที่เราได้ผ่านพบมาตลอดท่าวันแต่ที่จริงในความ้ากลบากของเราตลอดท่าวันเนี่ยมันยังน้อยนะมันยังเทียบไม่ได้นะสิ่งที่กับความยากลบากนะ ที่เกิดขึ้นกับคนที่เรา ร, รบรับอยู่ท่านหนึ่ง น, นก็คือในหลวงเวลาเราลำบากเนี่ยนะลำบากแค่ไหนตลอดเส้นทางธรรมญา ต, ตารเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะกับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙ได้ทรงฟันฝ่าเราลองนึกภาพนะเวลาพระองค์เนี่ยเสด็จประดมเนินไปถิ่นธุรกันดาร ไปช่วยเหลือชาวเขาไปแนะนำให้เขาเลิกปกลูกกลิ่นะแต่ว่าปลูกพืชผลชนิดอื่นแทนทรงไปดเรื่องโครงการหลวงนะในเขตฝากเขาภาพที่เราเห็นทั้งโทรทัศน์วิดีโอหรือภาพถ่ายนะก็คือนะทรงเสพระราชดเนินไปด้วยความยากลำบาก เพราะว่าหลายที่เนี่ยเครื่องยิงไปไม่ถึงเฮลิคอปเตอร์ก็ไปไม่สะดวกรถนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะต้องเสดพระราชดำเนินนะหรือต้องเดินเท้าด้วยตัวเองข้ามขอบเป็นลูกๆนะแล้วก็ทําเช่นนี้อยู่หลายวันแล้วก็ทําติดต่อกันไปปีนะลองนึกดูนะเอาเพียงแค่พระเศธโทหลงเหนือนะที่ ของพระองคเองนะรวมกันแล้วนี่มันมากมายกว่าที่เราเสียเหนื่อยไปเนะี่ยตลอดห้าวันนี้ยมากมายหลายเท่าในเวลาเรายากลาบากขึ้นมาเนี่ยประสบความยากลาบากประสาขึ้นมาเนี่ยคอเรานึกถึงนะความเหนื่อยยากนะที่บุคคลคนหนึ่งนะที่เราเคารพนับถือเนี่ยนะต้องประสบ ตั้งที่โรงก็มีสถานภาพดีกว่าเราสูงกวาเราเยอะแล้วก็มีทางเลือกนะที่จะทำอย่างอื่นที่มันสบายกว่าแต่พระองค์ก็ไม่ทำในเวลาเดินธรรมยาตราชานโดยพระวันมีเนี่ยนะอยากจะให้เรานึกถึงในหลงรัชกาิที่๙นะที่ทรงตักตาเพื่อประสงค์นิพพาน หลาคนบอกว่ามาจนธรรมยถ า, าคืออยากจะมาตามรอยพ่อก็คงจะได้ทําตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วขณะเดียวกันก็อยากจะให้คิดต่อไปด้วยว่าถ้าเราจตามรอยพ่อจริงๆเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเหนื่อยวันนี้เราต้องพร้อมที่จะลําบากวันนีน้แต่วความระบากที่เราเผชิญอยู่ทั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วันพรุ่งนี้มาเลย น, นี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นบททดสอบหรือเป็นแบบฝึกหัดนะเพื่อที่เราจะได้มีความวิริยะมีความภาคเทียนมีความอดทนมากขึ้นหลายคนก็พูดว่าอยาจะตามรอยพ่อถ้าเราจริงจังกับสิ่งที่รพูดเนี่ยนะจะต้องใส่ตรองให้ให้ดีนะว่า จะตามรอยพ่อได้อย่างไรเนื่องถึงภาพนะในหลวงนะและการติ่กาที่พระองค์เสด็จไปตามถิธุรกันดานภาพบางภาพเราก็เห็นนะจากนิทัศรรการที่มาติดนะก็ติดมาหลายวันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครได้ดูได้อ่านบ้างหรือเปล่าภาพที่พระองค์กระโดดนะข้ามร่องน้ำบ้าง หรือว่าภาพที่เราเห็นหอยู่เจนตาเนี่ยก็คือภาพที่ประทับนั่งพิงรถอยู่บนสะพานนะทอพพระเนตรแผนที่กําลังสนทนากับขาบ้าขราชการข้าราชการแล้วก็ชาวบ้านหรือภาพที่ทรงมีการทอดพระเนตรแผนที่แล้วก็มีพระไตรปณ์นะเรียกว่าเต็มประพักเนี่ย จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยคุณธรรมหลายข้อนะเช่นวิริยะคือความเพียรต้องมีบริจาคะก็ะคือความเสียสละความสุขส่วนตัวบริจาคะในที่นี้ไม่ได้แลปลว่าบริจาคสิ่งของนะบริจาคสิ่งขององ่ายง่ายกว่าการสละความสุขส่วนตัว อย่างที่ในหลวงนั้นได้ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจต้องมีขันติธรรมความอดทนเนะยอดทนต่ออุปสรรคความยากลำบากต้องมีตะปะตะปะหรือตะปะเนี่ยก็คือการที่รู้จักกดข่มกิเลสบางทีมันมีสิ่งร่าเราเย้ายวนนะให้เราเนี่ยหลงติดหลงเชิน เช่นความสุขสำราญความสุขสบายความมันเทิงเริงรมซึ่งชีวิตเราเนี่ยแนเป็นคนชั้นกลางเนี่ยก็มีโอกาสได้เสพเยอะมากเที่ยวหา้างดูหนังดูวิดีโอดูโทรทัศน์ฟังเพลงนี่ยไปต่างประเทศน่ยไอ้พวกนี้เนี่ยคือสิ่งรอ่อเรายอดยวนซึ่งมันก็เป็นรสชาติของชีวิตนะ แต่ว่าถ้าเราหลงเสือรติดมันมากเนี่ยมันก็เปทําไม่ทําอะไรหรือว่าไม่รู้จักจะทําอะไรแม้แต่ทํางานทําการหาเงินก็ไม่อยากจะทําไม่ต้องพูดถึงการไปเสสระเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและการที่ในหลวงจะบำเพ็ญพราะกรณีกิจอย่างนี้ได้ต้องมีตปะปัดนะหรือตบบะบ่าคือการ ก, กดข่มกิเลสไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยเผลอไปกับ เ, เพอเพลินไปกับสิ่งล่อเราเย้ายวนหรือความสุขสำราญสิ่งคนรเปลิซึ่งในสถานะที่เป็นธรรมกษัตริย์เนี่ยมีโอกาสมากมายแมนะ้แต่แตพวกเราเองเนี่ยเป็นคนปุถุชนธรรมดาเนยก็มีโอกาสมากมายนะยิ่งกว่าคนสลัยก่อนเยอะแต่ทำนั้นจะเสียสละเพื่อผู้อื่นนั้นต้องมีตัจจัยขันติอย่างอดีวยวพอขันติใู่วความอดทน ไม่ยอมแพ้ต่อผู้กระสาความก็ลำบากหรือว่าสิ่งที่ขัดใจส่วนต่าไปนี่หมายถึงว่าความไม่หลงเพลินในสิ่งที่ชวนให้ติดใจถ้าเป็นของดีก็ทําให้ติดใจถ้าเป็นของไม่ดีก็ทําให้ขัดใจถ้าขัดใจจนกระทั่งไม่เป็นอันทําอะไรมันก็เรียกว่าขาดขัติธรรมหรือว่าขัดใจรู้สึกจนสุดกลัวไม่อยากจะทําอะไรเพอะแท้เพอาถอยเสียกําลังใจ เพราะถูกวิพาวิจารถูกคนดาเสษสีอันนี้เราขาดคันติธรรมถ้าเพลิดไปกับสิ่งบลเปลส่งสนาร่ อ, อดเลาะยั่วยวนใจหรือว่าเรียกว่าโลกธรรมฝ่ายบวกหรืออิทธารมอันนี้เรียกว่าไม่มีกับปะกแต่ในรวเนี่ยทรงมีทั้งสองอย่างนะแล้วก็ต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมนะธรรมะข้อนี้เรียกว่ามัทวะ มัทรวดอ่อนน้อกคอไม่ถือตัวเช่นประทับนั่งในหลงทรงประทับนั่งกับชาวบ้านสนทนาธรรมสนธนาเรื่อ ง, องความเป็นอยู่บางทีก็ประทับนั่งคุยกับชาวบ้านเนี่ยเป็นชั่วโมงใต้ต้นไม้ไม่มีเบาะรองเพลตำรวจเอกวสิษฐ์คุณชวนเล่าว่าเวลาพระองค์หลายครั้งที่พระองค์เสด็จไปตามที่ธุรกันดาเนี่ย หลายครั้งโปร่งส่งรถพระที่นั่งเอง น, นะขับรถพระที่นั่งเองมีคนขับนะมีพระเบริพลขับคงไม่คงขับเองขับถึงเสร็จยังไม่ถึงที่หมายนะต้องเดินต่อต้องปีนเขานะคุยกับชาว บ, บ้านไปดูสถานที่ดูของจริงดูสภาพปัญหาไม่ใช่ทำแต่รายงานนะแดด ก, ก็ร้อน เสร็จแล้วก็ไปเสียทุนละใช้เวลาหลายชั่วโมงนะกลับมามาถึงรถบอกว่าพรมก็ขับต่อนะขับรถพอดีนั่งกลับกลับตำหนักสารชีหรือขรรยายพาไม่ต้องขับเองนะพอถึงรถก็นั่งหลังรถแล้วก็นั่งหลับได้พักผ่อนนะไม่หลวงขับต่อไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เรียก ว, ว่า นอกจากจะมีความอดทนมีความเทียงแล้วก็ต้องมีความมีมัททวะเนี่ยแค่แค่ภาพภาพเดียวนะภาพของในหลวงที่ทรงงานเนี่ยในถิ่นเพ็ญธุรกันดานเนี่ยมันต้องอาศัยธรรมะหลายข้อนะวิยะขันติสบะนะมัททวะปริจาคะซึ่ง พวกนี้แหละนะหลายข้อเนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโทศเสพสิธราชธรรมบางส่วนก็เป็นเรื่องของบา ร, รมีเมื่องพูดถึงสัจจะบา ร, รมีนะพูดคําไหนคํานั้นเนะมื่อเราพูดถึงคําว่าสันโดษนะซึ่งก็ต้องจําเป็นเหมือนกันเพราะถ้าไม่สันโดษในการที่จะมีตาบะเนะี่ยไม่หลงเทิดเพลินไปกับความสุขสําราญิฉืปอยเปื่ยก็ทํายากนะ ก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากได้อยากอยากได้อยากได้อกีอกก็เลยไม้เป็นอันช่วยเหลือใครแค่ตัวเองเอาตัวไปรอดเลยเพราะว่าพอใจไม่ไม่รู้จักพอใจสักทีนี่เราเรบอกว่าเราจะตามอยากจะตามรายพ่อเนี่นะลองไร่ครวญดนูนะว่ามันต้องอาศัยธรรมะกี่ข้อในการที่จะทําได้อย่างที่พระองค์เนี่ยนี่ตมาก็ยกตัวยอย่างแค่ธรรมะบางส่วนนะ แม้เราจะอยกตามรอยพ่อเนี่ยนะก็ต้องเริ่มจากการน้อมนําออธรรมะเหล่านี้ถ้าไม่ทั้งหมดก็ข้อใดข้อหนึ่งนะมาเป็นจุดตั้งต้นเพราะถ้ามีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยการที่เราจะทำทำงานต่างๆเนี่ยให้มันออกมาในลักษณะที่เป็นการสารต่อพรปณิธานเนี่ยมันจึงจะเป็นไปได้ เพาทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากใจนะคือจะแต่ว่าทําทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นสําเร็จได้ด้วยใจมีใจประเสริฐสุดแม้จะทําอะไรเนี่ยนะมันต้องมันต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนอยากจะทําอย่างอยากจะทําเป็นการสึกสารปณิธานโดเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการนำเอาธรรมะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ภายในเนี่ยเข้ามาให้มันสถิตอยู่ในใจ เมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วกายคือวาจาหรือการกระทำเนี่ยมันก็ออกมาเองถ้ามีตะปะมีขันติมีโซมีปริจาคะนี่นะธรรมะเหล่านี้มันจะผลักให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆในลักษณะที่เป็นการปฏริประโยชน์ทพ่อส่วนรวมไม่จำเป็นจะต้องปลูกป่าก็ได้ไม่เป็นต้องเป็นอนุรักษ์น้ำก็ได้ อาจจะทำอย่างอื่นนะที่เป็นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าสงเคราะห์เป็นประโยชน์สุทธิส่วนรวมตามรอยพ่อจยไม่ไปต้องตามจะต้องทำตามโครงการต่างๆที่วงทรงได้เริ่มอย่างโครงการรวมแบบเด็กๆเป๊ะๆเลยนะไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่าการที่รอเนี่ยนะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งก็ต้องเกิดจากการที่มีธรรมะอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะให้มันเกิดขึ้นในใจเราอาภัะชานในโอกาสวันนี้เนี่ยนะก็จะให้เราได้พิจารณานะคร้ครวนนะว่าเวลาเราพูดว่านี่อยากจะตามรอยพ่อนะอยากจะสือสามเป็นทางแล้วเนี่ยเราถ้าเราจริงจังกับสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะต้องมาคร่ครวนนะว่าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร อะไรคือธรรมะอะไรคือคุณธรรมะอะไรคือแรงจูงใจภายในที่ทำให้ทำสิ่งนั้นได้แล้วก็น้อมนำคุณธรรมหลังนั้นเนี่ยมาไว้ในใจหให้มันเป็ น, นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วทุกอย่างมันก็จะออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นการเซสรแรงไม่ใช่เป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือว่าไม่ใช่เป็นการเอ่อคอกตีหรือว่าเอ่อลอกแรบบ อย่างที่ไร้ผิดปิญยานแล้วก็ขํานี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แหละฝากครับพร้อมกัน